ไปเพิ่งตั้งใจกันให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้คงวงมันครอกงามให้นั่งภาวนาในหะ้มีแต่กลมลงกลมลง แ, แสดงว่ามันงวงนะ ง่วงแล้วก็ปล่อยไปตามความง่วงมันก็ง่วงไปเรื่อยอย่าไปปล่อยใจไปตามมันสี่ทำใจแข็งแข็งไว้ทำกายแข็งแรงขึ้นอย่าให้อ่อนแอทำอย่างนั้นแล้วก็เอาชนะความง่วงได้ที่มันเอาชนะไม่ได้ก็เพราะมัน ปล่อยกายปล่อยใจใไปตามมันไม่ว่ากิเลสใดๆแหละถ้าปล่อยใจให้อ่อนแอไปตามมันแล้วมันก็มีอำนาจฉุดคล้าเอาจิตนี่ไปได้ตามประสงค์ดังนั้นการภาวนาก็เพื่อที่จะเหนียวรั้ง จิตตไว้ไม่โอนเอนไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละให้เข้าใจไม่ใช่นั่นก็ไม่จำเป็นต้องมาฝึกให้ลำบากแหละมันมีความหมายอยู่อย่างนี้การฝึ ก, กจิตใจต้องให้เข้าใจกันดีดี อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วนะปกติจิตใจนี่มันตกเป็นทาตของกิเลสตัณหามานมนานนะ่ะหลายชาติหลายภพแล้วนะจนมาถึงในชาติปัจจุบันนี่มันก็ยังตกเป็นทาตุของกิเลสตัณหาอยู่ก็เพราะอะไรนะเพราะ ไม่ฝึกผลจิตของตนในเข้มแข็งอยู่ด้วยคุณงามความดีนั่นแหละปล่อยใจให้มันอ่อนแอไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันก็จึงได้ฉุดคล้าพาท่องเที่ยวมาอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จักทางออกเลยไม่ทราบว่าจะออกทางไหน วนเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายตายแล้วเมื่ออุปทานมีอยู่มันก็ไปเกิดอีกแล้วก็วนมาแก่มาเจ็บมาตายอีกอยู่อย่างนี้เนะ่ยแต่ว่าถ้าตายแล้วมันได้เกิดเป็นคนมาอีกก็ยังชั่วหน่อยนะส่วนมากมันไม่ได้มาเกิดเป็นคน ผู้ดใดทำบาปบาปมันก็ชุดไปสู่นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ระหานบ้างอย่างใดอย่างหนึง่งสุดแล้วแต่บาปกรรมมันมากหรือน้อยถ้าบาปมากก็ไปนรก ถ้าบาปน้อยหน่อยกว่านั้นลงมาก็เป็นเปรตถ้าบาปมันน้อยกว่านั้นอีกก็เป็นอสุรกายถ้าบาปมันน้อยกว่านั้นลงมาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลาดับไปอย่างนั้นแหละคนจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วก็มาเกิดเป็นคนเมื่อเสร็จบาปยังไม่สิน้น ก็มาเป็นคนขี้กระจกงอกง่อยร่างกายไม่สมบูรณ์จิตใจก็ไม่ดีอยู่อย่างนั้นหลายชาติจนกลัวว่าบาปกรรมอันั้นมันหมดลงไปเมื่อใดบุญที่ผูะนั้นทำมาก็จึงมาตกแต่งให้เกิดเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์ได้ส่วน เมื่อนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่นะคนเคี่์กระจอกก้องง่อยต่างๆในโลกนี้นั่นแหละให้พึงระลึกไว้เสมอโทษของบาปกรรมโทษของการเบียดเบียนปุคคลอื่นและสัตว์อื่นมันยอมทำให้ ได้ร่างกายอันไม่สมประกอบไม่สามารถจะทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้เลยคนมีกรรมมีเวรติดตัวมาเราได้เสวยตั้งแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีใจปลอดโปร่งอะไรที่จะมาน้อม นึกถึงบุญถึงคุณมาคิดว่าจะมาสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นในตนมันคิดไม่ได้เลยบาปกรรมมันนั้นมันครอบงำไว้มันไม่มีอิสระอะไรเลยดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจไว้ อย่าพากันประมาทเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตัดสรู้แจ้งแทงตลอดจึงได้นํามาแสดงถ้าพระองค์ไม่รู้แจ้งแล้วพระองค์ไม่นํามาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าธรรมดาผู้ที่ จะเป็นศา ส, สดาเอกในโลกนี้ต้องมีคุณความดีพร้อมทุกอย่างบริบูรณ์ความชั่วแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีนั่นแหละพระองค์จึงชือว่าเป็นพระอราหารันตัสมมาสัมพุทธะแปลว่าพระผู้ตัดสุขผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเมื่อเป็นเช่นนี้เรายังจะไม่เชื่ออยู่หรอือนันถามตัวเองดูเรื่องสร้างบา ร, รมีอย่างนีนะ้ไม่ใช่เรื่องโกหกก็บา ร, รมีสิบประการหรือสามสิบประการ พระศาสดากระทรงแสดงไว้แล้วนี่นั่นจึงว่าไม่ใช่เรื่องโกหกอ่ะมันเป็นเรื่องคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลนี่บารมีสิบประการนั่นถ้าใครไม่บำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนก็เท่ากับ ว, ว่าไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงให้เกิดมีขึ้น เพราะว่าคนเรานี่ถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้ไปแล้วในมันใจมันอ่อนแอไม่เข้มแข็งหมายเขาว่าอย่างนั้นสู้กับมารคือกิเลสไม่ได้เช่นถ้าขาดทานะบารมีไปช น, นี้นะบุคคลพดที่ไม่ได้เข้าน้ำโพชนะอาหารเป็นทาน เกิดไปชาติใดก็มีร่างกายสู้ผอมไม่ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังวางชาเป็นอย่างนั้นพขไม่ได้ให้เข้าน้ำเป็นทานผู้ไม่ได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานเกิดไปชาติใดก็อดผ้านุ่งผ้าหม่มผู้ไม่ได้สร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทาน เกิดไปชาติใดก็อยู่แต่กระท่อมมุงด้วยหลังคาจากหรือมุงด้วยหญ้าคานั่นแหละที่จะได้ไปอยู่อาคารใหญ่โตโอโทงก็เขาไม่มีเพราะแต่ชาติก่อนตนก็ไม่ได้สร้างที่พักที่อาศัยให้เป็นทานแก่สมณะพรามนาจาร์ต่างๆ ไม่ได้ทำเลยมันไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาโดนบันดาลให้ได้มีเงินมีทองสร้างอาคารสถานที่อยู่อาศัยยังใหญ่โตโอโทงมันไม่มีนั่นเราต้องคิดต้องพิจารณาเมื่อได้เห็นคนที่เขาอยู่ในกระท่อมน้อยต้องนึกเสมอว่า เออเจ้าหนี้คนแต่ก่อนเนี่ยเขาคงไม่ได้สร้างที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าเห็นคนอื่นเขาสร้างก็ไม่ได้อนุโมทนาเลยแม้แต่ยกมือขึ้นประนมกล่าวคำว่าขออนุโมทนาสาธุการด้วยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายทาในขั้งนี้ อย่างนี้ก็ไม่มีอเพราะฉะนั้นถึงได้มาอยู่กระท่อมน้อยนีย่เกิดมาเป็นคน่ะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประมาทไม่ให้ที่อยู่ที่อาศัยอย่างว่านั่ยต่อไปเบื้องหน้าเราก็จะต้องได้อยู่กระท่อมอย่างนี้แหละถ้าเราต้องได้เที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ต่อไป ตอนตนเข้าไปอย่างนี้นะแล้วมันก็จะได้ขอนขวายสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เพนทานไปถ้าตนไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะสร้างโดยลำพังได้กดชักชวนเพื่อนร่วมทุนกันสร้างหรือมิฉะนั้นกับบริจาคทรัพย์อนุโมธนา ในงานการกุนนการก่อสร้างที่อยู่ที่อาศัยนั้นนวนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้มีที่อยู่ที่อาศัยข อ, อสมควรกัฐานะดังนั้นนะทุกคนเมื่อรู้ตัวดีว่าตนนั้นยังไม่สามารถละอาสวะกิเลส ให้ขาดจากสันดานได้ในชาตินี้อา่าก็ต้องสร้างบุญสร้างผู้สนไปเพื่อว่าตนได้ไปเกิดในชาติในภพต่อไปก็ขอให้มีความสุขความเจริญตามกำลังของบุญวาสนาที่ตนทำมา ก็ต้องอธิษฐานในใจอย่างนั้นนี่แสดงว่าผู้มีความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เชือ่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าตนจะมีความสุขในขั้นใดๆได้ๆๆๆก็เพราะอาศัยการทำความดีด้วยกายวาจาใจนี่จริงๆเลยอ่ ไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาโดนบันดาลให้ตนได้มีความสุขหรือความทุกข์อย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยโคองเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดทำกรรมอันใดจะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่ก็แสดงว่าความสุขความทุกข์มันเกิดจาก การกระทาของแต่ละบุคคลโดยโดยตรงเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปสำคัญอย่างอื่นคนเรานะ่ะต้องสำคัญที่กายที่วาจาที่ใจนี่เอาแต่ละวันแต่ละคืนตนได้สํารวมกายวาจาใให้เรียบร้อยหรือไม่หรือว่าขาดตกบกพร่องอะไร หรือไปทําบาปทากรรมอะไรไว้บ้างวันตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงวันนี้อืมแล้วก็ต้องพิสูจ ด, ดูทบทวนดูมันก็รู้ได้ไม่ได้ทําผิดทําพลาดอะไรมาหรือว่าไม่ได้ทําผิดทําพลาดอะไรมามันก็รู้ไม่ได้พูดผิดพูดพลาดอะไรก็รู้ เมื่อรู้ว่าตนมีความประพฤติเป็นปกติอยู่มันก็จะได้ปีติปราโมดในใจขั้นหนึ่งแล้วนั่นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่อาบน้ำชำระขัดใครให้สะอาดแล้วก็เอาเครื่องนุ่งหม่มอันสวยงามมานุ่งมาหม่มเอาเครื่องประดับประดับเข้าไปเช่นนี้มองดูตัวเองก็กระยิม ว่าตนนั้นสวยงามพ่อแต่งอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละอันนั้นเรียกว่างามนอกงามในได้แก่งามอันเกิดจากความประพฤติทางกายทางวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษนี่เป็นความงามภายในงามอย่างลึกซึ้งงามไม่จืดไม่จาง ส่วนความงามภายนอกนั่นนะเมื่อ ง, งดประดับประดางดตกแต่งแล้วมันก็ไม่สวยงามเหมือนเดิมมันแหละเป็นงานทุกคนนะต้องให้รู้จักชําระขัดถูตัวเองให้มันสะอาดไปเรื่อยๆแต่การชาระขัดถูตัวเองมันมันหมายถึงการ จำระขัดถูตวงจิตนู่นอันกายเนี่ยมันถึงไม่มีใครมาบอกมันก็ทำได้เพราะว่าเมื่อไม่ทำมันก็ส่งกลิ่นเหม็นให้ตัวเองดมอยู่อย่างนั้นน่ยใครททนไหวอ่ะมันก็ไปชำระล้ลางความรับพืชทางกายวาจาก็เหมือนกัน เมื่อทําไม่ดีพูดไม่ดีมันก็นําความเดือดร้อนมาให้แก่จิตใจนี่นั่นแหละบุคคลผู้ที่สังเกตดูแล้วเห็นว่าความประพฤติไม่ดีนี่มันทําความเดือดร้อนให้แก่จิตนี้จริงๆเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายในความชั่วนั้นนั้น มันก็ละได้เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วน ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายไม่เห็นโทษของมันมันก็ละไม่ได้อันความชั่วนี่ดังนั้นจงพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อมันจะได้ละความชั่วนั้นออกจาก กายวาจาใจเสียมเมื่อบุคคลเป็นผู้ลากความชั่วนั้นออกไปจากกายวาจาจแล้วใจมันก็สบายเพราะใจนี่เป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาไม่ทำความชั่วนั้นนะถ้าใจไม่สำรวมแล้วมันก็ยังว่านะมันก็ไปทำความชั่วได้ เมื่อใจสบายแล้วจเจริญสมาธาิวิปัสสนามันก็คล่องแคล่วดีอย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยเหมือนอย่างบุคคลที่จะปลูกพืชต่างๆลงในดินเขาก็ปรับดินให้มันเรียบราบดีซะก่อนไม่ให้มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่ในดินนั้น <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็ปลูกลงไปต้นไม้ที่มีผ ล, ลก็งอกงามเจริญได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากปรับดินให้ดีแล้วปลูกไปแล้วยังลดน้ำใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกอนี่นะบรรดาพืชทั้งหลายในโลกนี่พืชที่มีผลเนี่ยมันต้องอาศัยคนเรานั้นปลูกแล้วก็ปฏิบัติ ด, ดูแลมัน มันจึงให้ผลแก่เจ้าของอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นเลยเมื่อบุญกรรมตกแต่งกายวาจาใจให้มาได้เกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้เลยเราจะต้องพยายามมองเห็นความสําคัญของความเป็นคนของตัวเองให้มันได้มากๆความเป็นคนของตนจะเด่นได้จะดีได้ก็เพราะอาศัย ตนฝึกตัวเองฝึกไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยพยายามเพ่งพิจารณาดูส่วนใดที่ไม่ดีไม่งามก็เพียนละมันออกไปอย่าไปสะสมมันไว้น เ, นเพี้ยนเพ่งกรรมฐานในใจ เพียนเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอเมื่อเมื่อมันไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออ ก, กนั้นแสดงว่าจิตมันจะดิ่งลงไปสู่ความสงบแล้วไม่ใช่อย่างอื่นใดในเบื้องต้นนี้ก็ต้องน้อมจิตไทยสงบลงไปเป็นหนึ่งเสียก่อนแล้วต่อจากนั้นไป ปัญญามันจะค่อยเกิดขึ้นมาเพราะว่าบุคคลผู้นั้นทำใจสงบลงไปได้ด้วยการเจริญพระกรรมฐานอันใดอันหนึง่งเรื่องอย่างนี้นี่ไม่ควรที่จะไปตีตนตายก่อนไข้บางคนก็ว่าอ้เราทำไม่ได้ไม่สามารถจะทำให้ สมาธิให้เกิดให้มีขึ้นได้มปฏิเสธไว้แล้วนี้นนเมื่อปฏิเสธไปแล้วมันจะได้ทำยังไงแล้วนนแต่ถ้าตนมองเห็นรูทางว่าเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปนี่น้อมใจลงไปนี่ใจจะต้องสงบแน่นอนทีเดียวถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเปียนพยายามไป ไม่ท้อไม่ ถ, อ, มถอยใจมันก็รวมลงได้วันหนึ่งเพราะมันเห็นแจ้งกรรมฐานอย่างที่เคยพูดมานั่นเนี่ยผู้ใดรู้ตัวว่าจริตของตนเป็นอย่างไรก็นึกบริกรรมหรือว่าพิจารณากรรมฐานนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจ แ ล, ล้วจริตอันไม่ดีต่างๆนะั้นมันก็จะบรรเทาวบางไปเป็นอย่างนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจต้องตรวจดูจริตนิสัยตัวเองเสมอไม่อย่างนั้นมันมันไม่รู้นี่มันไม่รู้ว่าตนนั้นมีนิสัยชั่วอย่างไรเห็นแต่มันมีแต่แสดงความดีออกมาเรื่อยไป ไม่ทราบว่าความทั่วมันอยู่ไหนบางคนมองมองไม่เห็นเลยดังนั้นนะมันถึงไม่ภาคเกียนพยายามที่จะละกิเลสนั้นเหมือนอย่างบุคคลไม่เห็นงูพิษ อย่างนี้นะมันก็ไม่หลีกเลี่ยงมันนะก็ไปเหยียบมันหรือไปถูกต้องมันนะมันก็กัดเอาก็เป็นอย่างนั้นนะฉันใดบุคคลไม่รู้จักอำนาจของกิเลสไม่รู้จักพิษไม่รู้จักฤทธิดเดชของกิเลสก็ไปสะสมกิเลสขึ้นในใจให้มากขึ้นไปไม่พยายามตัดถอนมันลง ก็ชันนั้นแหละเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยให้เพึ่งพากันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างถึงว่ามันเกิดจากการกระทานะเหมือนอย่างเขาทํานาทําสวนนั่นแหละอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังมาเขาต้องถอนาติขุดตอไม้ออกก่อน เมื่อทำบริกรรมกเกี่ยวกับเรื่องดินนั้นเสร็จแล้วก็จึงปลูกพืชลงไปได้ถ้าทายังไม่เสร็จก็ปลูกยังไม่ได้การละบาปบาเพ็ญบุญก็ไปในขณะเดียวกันไปอย่างนั้นแหละเมื่อละบาปไปพร้อมก็ทาบุญไปพร้อม เมื่อละความโลภความตนีก็ทำบุญทำทานไปพร้อมเมื่อละความโกโรธความพยาบาติก็รักษาศีลเจริญเมตตากรุณาไปพร้อมกันเลยนั่นเนี่ยน้อมเอาเมตตาทำกรุณาทำเข้าไปในใจแทนความโกโรธนั้นเมื่อบุคคลมา เห็นโทษแห่งความหลงความเมาความไม่รู้จริงเห็นแจ้งอย่างนี้นะแล้วก็มาภาวนาทำใจสงบลงไปพอใจสงบลงไปได้กิเลสส่วนกลางได้แก่นิวรห้ามันก็ระ ง, ง, งับลงเมื่อนิวรนาธรรมมันระ ง, งับลงไปจิตใจก็สงบเบิกบาน ท่องไซค์ขึ้นมานั่นแลหละลองสังเกตดูสิคำสอนของพระพุทธเจ้านะการละบาปกับการบำเพ็ญบุญนะ่ะมันมันย่อมเป็นเป็นต่อเนื่องกันไปอย่างว่านี่แหละเมื่อสมาธิตั้งลงไปได้แล้วบัดนี้มันก็ยังกิเลส่วนละเอียดที่มันหมักรองอยู่ในจิตใจนั่นนะ เพียงแค่สมาธินั้นมองไม่เห็นตัวกิเลสนั้นเลยแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะลากกิเลสนั้นให้ขาดไปได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นจะต้องอาศัยปัญญาเนะี่ยดังนั้นจึงต้องเจริญปัญญาควบคู่กันไปเลยแบบนี้วิตกถึงสังขาร น, นามรูปวะนี่ มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงทำไมยังไปหลงไหลถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานักหนาเพ่งดูให้เห็นทุกซอกทุกมุมของร่างกายแล้วมันจะมองเห็นเลยแล้วว่าตัดสินลงมาไม่ใช่ของเราเป็นลูกเขารบต่งหากลูกพระพุทธเจ้าก็ดีลูก ร่างกายอันนี้ก็เป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงกิจนี่เท่านั้นเองไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอะไรที่จะมาหวงแหนกันด้วยอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อรู้ร่างกายนี้แจม่มแจ้งความหลงมันก็หายไปนี่การละบาปบำเพ็ญบุญนะมันก็เป็นคู่ขนานกันไปอย่างนี้แหละ ให้พากันเข้าใจเมื่อไม่ทำความเพียรละบาปอย่างนี้บุญก็ไม่เกิดต้องให้สันนิษฐานดูมันจะเกิดได้ยังไงเหมือนอย่างป่ามันรกทึบอยู่เนี้ยแล้วบุคคลไปหว่านพืชลงในดินเช่นนั้นอ่ะมันจะงอกขึ้นได้หรืออ่าถึงงอกขึ้นได้มันก็ขึ้นงามไม่ได้ขึ้นเป็นต้นเป็นกอไม่ได้เลย เพราะว่าไม่อื่นมันหุ้มอยู่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจอยู่อย่างนี้แล้วจะให้บุญมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะมันเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้งัง น, ะะนั้นให้เพิ่งพากันเข้าใจความหมาย ของการกระทำความเพียรในพระพุทธศาสนานี้เรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แหละเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายอย่างว่า น, นี้แล้วก็ต้องพยายามบำเพ็ญให้มันเป็นไปให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมา